ลำดับที่ส2บสองเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2553โดยพระครู ธ, ธรรมทอนคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร สำหรับในวันเสาร์นี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องของมุทิตาซึ่งเป็นหนึ่งในอภัมมัญญาสี่อภัมมัญญาสีที่เราได้เรียนไปแล้วก็คือมีหนึ่งเมตตาเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอยากเห็นเขามีความสุขหรืออยากให้เขามีความสุขใช่หหรืออาจจะแปลว่าความเอ็นดูนะความเอ็นดูความปรารถนาดีก็ได้อย่างที่สองก็คือการุณา กรุณาก็คือความที่ปรารถนาอยากให้เขาพ้นจากความทุกขนะ์การตั้งใจปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากความทุกขนะ์นนี้เราเรียกว่าการุณานะได้ยกตัวอย่างไปแล้วกรุณานั้นถ้าโดยภาวะเมื่อเราเกิดกรุณาจิตจะผ่องใสนะไม่ใช่เศร้าโศกเสียใจนะความสงสารเศร้าโศกเสียใจนั้นเป็นโทมนัตไม่ใช่กรุณานะวันนี้เราจะมาเรียนกรรมฐานที่สามก็คือมุทิตา มุทิตานั้นแปลว่าความเบิกบานยินดีหรือดีใจด้วยกับเขาเวลาที่เห็นเขาประสบความสำเร็จหรือมีความสุขนึกอย่างง่ายๆนะเหมือนเราเชียเราเชียฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือเราเชียนักกีฬาเมื่อนักกีฬาคนนั้นเล่นกีฬาได้ชัยชนะเราก็จะรู้สึก ด, ดีใจไปกับเขาใช่ไหม นะความดีใจไปกับเขานั่นแหละคืออาการที่เราเรียกว่ามุทิตานะเบิกบานพอยินดีดีใจไปด้วยนะนี่คืออาการเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนที่รักประสบความสําเร็จเราก็รู้สึกยินดีรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขไปกับเขาอาการรู้สึกยินดีดีใจมีความสุขไปกับเขานั่นแหละคืออาการที่เราเรียกว่ามุทิตา พอจับภาวะได้ไม่เอ่ยนะเพราะว่าอาการอย่างนี้เราอาจจะเคยรู้สึกบ่อยๆในชีวิตประจําวันของเรานะอย่างเช่นถ้าเพื่อนที่เรารักนะเขาประสบความสําเร็จนะหรือถูกรัาตติลี่เอาอย่างง่ายๆนะบางทีเออดีใจไปกับเขาด้วยนะโอ้ดีใจด้ว ย, ด, ด, วยดีใจด้วยเหรอนะหรืออีกอย่างหนึง่งก็คือเพื่อนจะแต่งงานเพืนะ่อนจะแต่งงานบางทีเราจะยินดีใช่ไหมยินดีดีใจไปด้วยกับเขานะเห็นเขาจะมีความสุขนะ อย่างนี้เป็นต้นอาการอย่างเงี้ยสภาพจิตแบบนี้เราเรียกว่าเกิดมุทิตาจิตเกิดขึ้นนี้มุทิตาจิตนี้เวลาเกิดขึ้นต้องระวังเพราะบางทีมันยินดีร่าเริงนะแล้วมันก็จะติดอยู่กับความยินดีร่าเริงแล้วก็พลอยสนุกสนานคราวนี้มันจะติดไปในฝ่ายของตัวการมชันทะไปคือมันจะพลอยสนุกสนานร่าเริงนะแลวคราวนี้ ใจก็จะไม่ได้อยู่กับภาวะที่เป็นกุศลและวนั้นศัตรูใกล้ของมูทิตาก็คืออาการที่เราเรียกว่าความร่าเริงสนุกสนานเช่นเอาละเพื่อนประสบความสร็จดีใจดีใจต่อด้วยอะไรกินเหล้านั่งคุยฟุ้งคราวนี้คืออาการฟุ้งซ่านนะจิตใจไม่สงบจะต่างจากตอนที่เรายินดีหรือดีใจกับเพื่อนนะโยมลองสังเกตง่าย วิธีสังเกตง่ายๆตอนที่เราได้ยินหรือเราได้ข่าวเพื่อนประสบความสําเร็จรู้สึกดีใจไปกับเขาวตอนนั้นยมลองนั่งหลับตาใจเราจะรู้สิกเบิกบานแต่ว่าไม่ฟุ้งซ่านนะเบิกบานมีความสุขผ่องใสแต่ไม่ฟุ้งซ่านแต่ถัดจากนั้นสิจะไปฉลองที่ไหนจะทําอะไรโอ้โหคนนี้เริ่มคุยฟุ้งอันนี้ไปละไปในฝ่ายศัตรูไก้ของมุติตาสตรูไก้ของมุติตาก็คือความ สนุกสนา น, นความสนุกสนา น, นเพราะฉะนั้นมุทิตาเนี่ยต้องระวังน ะ, นะเพราะว่ามันจะไปเข้ากับความสนุกสนานซึ่งคนไทยชอบมากเลยะ<น>ะจะเห็นว่ามีงานบวชทีนึงเป็นยังไงแรกๆก็เออรู้สึกดีใจกับเขาไอาตอนดีใจตอนนั้นยังเป็นมุทิตายังเป็นฝ่ายกุศลน ะ, นะแต่พอมุทิตาเสร็จอย่างนี้ต้องฉลองเอามาเรียบร้อยแล้วกิเลสมาเรียบร้อยแล้วกิเลสพวกนี้คือพวกโลภ โลภะคืออะไรความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานบันเทิงเนี่ยคราวนี้ก็จะเริ่มคุยฟุงย้งโง่อย่างนั้นโยอยอย่างนี้อาการอย่างนั้นให้รู้ไว้กลายเป็นฝ่ายของโลภะละแต่ถ้าเป็นอาการที่เรายินดีเบิกบานกับเขารู้สึกตีใจไปกับเขาถ้าแบบนี้จิตใจมันจะสงบผ่องใสมันจะไม่คุยฟุง้งจิตใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านพอแยกออกไห้สองอาการนี้ สังเกตง่ายๆนะอาการแรกที่มักจะเกิดขึ้นคือมุติตาเวลาเราเห็นคนที่รักนั้นประสบความสําเร็จอยู่ดีมีสุขพอมุติตาเกิดถ้าเรารักษาภาวะจิตแบบนั้นเออรู้สึกดีกับเขาดีใจด้วยแรู้สึกมีความสุขไปกับเขาตอนนั้นมันจะสงบอาการอย่างนั้นคือมุติตาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มคิดฟุ้งอ่ะฉลองที่ไหนทําอะไรรู้สึกหัวเราะสนุกสนานเฮฮากับเขานั่นกลายเป็นโลภะละ สองอย่างนี้คนลภาวะกัดแต่ใกล้เคียงกันมากเหมือนกับรุณากับโทมนัสการุณากับความสงสารเศร้าโศกเสียใจใกล้เคียงกันมากท่านจึงเรียกว่าศัตรูใกล้ศัตรูใกล้คือความสุขสนานความบันเทิง น, นี่คือศัตรูใกล้ของมุทิตาส่วนศัตรูไกลหรือสิ่งที่ตรงข้ามกับมุทิตานั่นก็คือความริษยา ความริษยานีเป็นอาการของโทสะความริษยาเป็นยังไงบางทีเวลาเห็นคนอื่นได้ดีอยู่ดีมีสุขเรารู้สึกขัดใจอึดอัดอาการอย่างนี้เราเรียกว่าอาการริษยาถ้าอย่างเพื่อนอยู่ที่ทํางานแต่เป็นคนอยู่คนรับที่ทํางานเขาได้โปรโมตตาแหน่งอันนี้เราอาจจะมุทิตาแต่ถ้าทํางานอยู่หน่วยงานเดียวกันด้วยเขาได้โปรโมตําแหน่งบางทีมันจะกลายเป็นริษยาใช่ไหม วุ่นอะไรว่าทางานด้วยกันมันได้ฉันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่มุทิตาแล้วอันนี้อกุศลละเราเรียกว่าเป็นศัตรูไกลนะศัตรูไกลในที่นี้หมายความว่าถ้าริษยาเกิดขึ้นมุทิตาเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามุทิตาเกิดขึ้นริษยาจะเกิดขึ้นไม่ได้อาการริษยาคืออาการขัดเคืองอาการไม่พอใจที่เห็นคนอื่นมีความสุขได้ดีหรือว่าโดดเด่นเกินหน้าเกินตาเราอันนี้เราเรียกว่าอาการริษยา ซึ่งบางทีคนไทยก็จะเป็นกันเยอะนะริษยาเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้ตัวหรือเพื่อนอยู่นอกตัวหรือว่าคนไม่ค่อยรู้จักสนิทกันเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยริษยาเท่าไหรแ่แล้วอยู่ใกล้ตัวอย่างนี้บางทีถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนรักกันจริงๆนะบางทีมันจะกลายเป็นริษยาเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนะอย่างเราดูหนังดูละครในทีวีไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่นางอิจฉาเป็นนางริษยาถ้าจะพูดให้ถูกนะ อิจฉาคืออาการอยากได้อย่างเขาเป็นอาการของโลภะแต่เธอเกิดอาการขัดเคืองไม่พอใจที่เขาได้ดีกว่าตัวนะหรือที่เขาได้พระเอกอย่างเงี้ยนะอาการอย่างนี้คืออาการริษยานะคืออาการริษยาสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือมุทิตานี่เองนะคือเห็นเราเราไม่รู้สึกยินดีกับเขาอาการประเภทนี้จะแสดงออกมาหลายอย่างด้วยกันนะอาการริษยานี้เช่นอาการพูดกระแนกะกระแนหะ หรือไม่ก็มันไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะหรือมันได้ก็เพราะเส้นมันได้ก็เพราะเส้นอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะมันจะมีข้ออ้างมาทําให้คล้ายๆกับพยายามพูดกดหรือพูดข่มเขานะเพราะว่าเรารู้สึกไม่พอใจหรือไม่ก็ต้องหาข้อที่ไม่ดีขึ้นมาติ่งไม่รู้สึกเบิกบานพลอยยินดีไปกับเขาเมื่อเขาทําสิ่งที่ดีงามหรือประสบความสําเร็จอาการอย่างนี้เราเรียกว่าริศยา ลองสังเกตดูนะสองอาการนี้จะไม่เหมือนกันมีคำถามในเรื่องของความหมายไหมมุทิตาไม่มีนะเพราะฉะนั้นมุทิตาเมื่อเกิดขึ้นจิตใจมันจะเกิดความบันเทิงเกิดความห่องใสเกิดความดีใจเกิดความยินดีเมื่อเขาประสบความสำเร็จซึ่งโดยปกติในชีวิตประจาวันของเราเราก็จะเจอทั้ง บุคคลที่ประสบความสําเร็จบุคคลที่ตกทุกข์หรือบุคคลที่อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกในเรื่องของพรมวิหารนี้ได้คล่องโยมจะสามารถใช้บุคคลเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ตลอดเวลาที่โยมทํากิจหน้าที่การงานเลยเห็นคนประสบความสําเร็จก็ให้รู้สึกดีใจกับเขารู้สึกยินดีกับเขาใจของโยมกลับผ่องใสสงบแล้วก็เป็นจิตใจที่มีสุขภาพจิตสมรรถภาพจิตดี การฝึกในการแผ่มุทิตาในการฝึกในการแผ่มุทิตานั้นหลักเบื้องต้นจะเหมือนกับเมตตาทุกประการเตรียมตัวให้พร้อมนะตัดปลิ้โพดเข้าหาครูอาจารย์รับเอากรรมฐานที่เหมาะสมสบายสนาดที่สัปปายะัคตัดปลิโภโพดเล็กน้อยแล้วก็เริ่มต้นฝึกแต่การฝึกมุทิตานั้นวิธีการจะต่างจากเมตตาเมตตาจะเริ่มต้นจากแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน แต่มุติตานั้นบุคคลที่จะให้แผ่มุติตาเป็นอันดับแรกจะได้แก่บุคคลที่เราเป็นเพื่อนรักกับเราครวนี้มีเงื่อนไขต่ออีกนอกจากเป็นเพื่อนรักกับเราแล้วต้องเป็นเพื่อนรักที่เขามีนิปปนิสยัยร่าเริงเบิกบานมีความสุขหรือเป็นคนที่อยู่ดีมีสุขหรือเป็นคนที่กําลังประสบความสําเร็จอันนี้จะทําให้เราแผ่มุติตาได้ง่าย เพราะปกติถ้าคนที่เรารักเราเห็นเขาอยู่ดีมีสุขจิตใจเขาเบิกบานมีความร่าเริงหรือประสบความสําเร็จถ้าเรามีความรู้สึกรักเพื่อนคนนั้นเราจะรู้สึกดีใจไปกับเขาได้ง่ายเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราพึงแผ่มุทิตาให้เป็นอันดับแรกก็จะแก่เพื่อนรักที่ประสบความสําเร็จเพื่อนรักที่อยู่ดีมีสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะทําให้เราแผ่มุ่ทิตาได้ง่าย วิธีการก็ให้เรานึกถึงเพื่อนรักที่ประสบความสำเร็จนั้นๆแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอานะขอให้เพื่อนรักที่ประสบความสำเร็จนั้นนะขอยินดีดีใจกับเพื่อนที่ประสบความสาเร็จอย่างนี้เป็นต้นภาษาสมัยก่อนท่านก็จะใช้เป็นคำภาษาบาลนะียมจำไว้แค่คำหลังก็พอเพราะว่าคำหน้าทั้งหมดนี้จะเหมือนกับเมตตาหมดเลยนะอา้าว ได้แก่อะไรนะถ้าอย่างเราจะแผ่มุทิตาออกไปให้กับคนหลายๆคนนะเราก็อาจจะใช้เป็นเอเตสตตานะเอเตแปลว่าเหล่านั้นนะเอเตสตาสัตว์เหล่านั้นนะเอเตสตายถาัถลัทธสัมปัติโตนะยะถัถลัทธสัมปัติโต มาวิคัตฉันตุนะยักถาลัทธสัมปัติโตแล้วก็เว้นวัคมาแล้วก็เว้นวักวิคัตฉันตุนะถ้าแปลกมาก็คือว่าขอให้สัตว์เหล่านั้นหรือตั้งใจว่าขอให้สัตว์เหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จหรือว่าขอดีใจ กับสัตว์เหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จด้วยนะอันนี้เธอแปลเป็นแบบคําพูดง่ายๆนะเอเตสัทธายถาลัทธสัมปัติโตมาวิคัตฉันตุนะก็ขอขอแสดงความยินดีหรือขอดีใจด้วยกับสัตว์เหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จที่มีความสุขนะ เพราะฉะนั้นเรื่องของมุทิตานี้จะเห็นว่าปกติเวลาวันเกิดเราก็เอาขอวันเกิดไปให้เพื่อนนั่นคือการแสดงมุทิตาอย่างหนึ่งนะใช่ไม่ใช่เป็นการแสดงออกซึ่งมุทิตาอย่างหนึ่งเมื่อคนเลื่อนตำแหน่งนะบางทีเราก็จะไปยิ้ยมเยียนไปแสดงความยินดีนั่นแหละคือการแสดงมุทิตาอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีใจไปกับเขาที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นอาการอย่างนั้นนี่แหละเราจะเอามาใช้นั่งให้สงบ นึกถึงเพื่อนรักที่ประสบความสําเร็จเมื่อนึกถึงเพื่อนรักที่ประสบความสําเร็จอย่างนั้นแล้วก็ให้รู้สึกดีใจไปกับเขารู้สึกดีใจไปกับเขานะมันก็เอาละขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะนะดีใจด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะใช้เป็นคําภาษาไทยง่ายๆแบบนี้ก็ได้ในขณะที่เรานั่ง แล้วพอแผ่มุทิตาไปแบบนี้จิตใจเราจะปลอดโปรง่งผ่องใสรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขไปกับเขานั่นแสดงว่าเรากาลังแผ่มุทิตาให้กับเขานั้นมุทิตานั้นเป็นภาวะในจิตใจนะไม่ใช่ข้อตัวคำพูดคำพูดเราจะเอามาใช้เพื่อให้น้อมจิตได้ง่ายเท่านั้นเองมันก็จะให้นั่งให้สงบจากนั้นนึกถึงเพื่อนรักที่ประสบความสาเร็จแล้วก็แผ่มุทิตาอย่างนี้ไปเรื่อย ขอ ด, ดีใจด้วยกับเ้านะนะหรือให้ก็ขอแสดงความยินดีที่เพื่อนมีความสุขที่เพื่อนประสบความสำเร็จนะนะหรือสัตว์เหล่านั้นขอดีใจด้วยนะที่เขาประสบความสาเร็จหรือที่เขามีความสุขนะอันนี้ภาวะจิตใจเราก็จะปลอดโปรง่งผ่องใสเบิกบานขึ้นมานี่คืออาการของสิ่งที่เราเรียกว่ามุกทิตา การฝึกเบื้องต้นจะให้นั่งภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคอยประคองจิตไว้กับภาวะมุทิตาจิตโดยที่เราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นมีคำถามไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกที่เราจะแผ่มุทิตาให้อย่าเพิ่งแผ่ให้ตัวเองอย่าเพิ่งแผ่ให้คนที่เรารู้สึกเป็นกลางกลาง คนที่เป็นศัตรูเพราะว่ามันจะแผ่ได้ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนรักที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่เรารักที่ประสบความสําเร็จนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งโมทิตาจิตได้ง่ายอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรนี่จะแผ่โมทิตาให้อย่างไงถ้าอย่างนั้นให้นึกถึงเขาตอนที่เขาอยู่ดีมีสุขตอนที่เขาอยู่ดีมีสุข เขามีความสุขเขาร่าดเริงเบิดบานเวลานึกถึงเขาอย่างนั้นหรือว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากรู้สึกเห็นเขามีความสุข mm hmm. ก็ให้เราแสดงความยินดีในใจกับเขาอย่างนั้นรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจไปกับเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนรักที่ mm hmm. เป็นที่ตั้งให้มุติตาได้ง่ายคือคนที่อารมณ์ดียิ้มแ ย, ย้มแจ่มใส่ได้ง่ายเป็นคนที่มีความสุขแต่ถ้าตอนนั้น มันก็ไม่ได้มีคนมีความสุขนั่งอยู่กับเราอย่างนั้นก็อาจจะนึกถึงตอนที่เขาเคยประสบความสําเร็จมาในอนดีตก็ได้หรือนึกถึงความสําเร็จความสุขความดีงามที่เขาจะได้รับในอนาคตก็ได้แล้วให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกพลอยยินดีไปกับเขาตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งแห่งมุทิตาจิตได้เช่นเดียวกันอา้าวมีคําถามไหม ไม่มีคำถามนะที น, นี้เมื่อแผ่ ม, มุทิตาจิตให้กับเพื่อนที่รักที่ประสบความสําเร็จอย่างนี้ได้คล่องแล้วต่อไปบุคคลกลุ่มที่สองที่เราจะแผ่ ม, มุทิตาจิตให้ก็ได้แก่บุคคลที่เรารู้สึกเป็นกลางๆ ก, กับเขาบุคคลที่เราไม่รู้จักบุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลที่ไม่รู้จักที่ประสบความสําเร็จที่มีความสุข ก็เราให้เตาตั้งจิตแผ่เมตตาให้แผ่มุทิตาจิตให้กับเขาขอไปโดยให้นึกถึงบุคคลที่เราไม่รู้จักที่เขามีความสุขแล้วก็ให้ตั้งใจพรอยินดีพรอยเบิกบานไปด้วยกับเขา เพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็มีคนที่เราไม่รู้จักมากคุ้นที่เขากําลังมีความสุขหรือประสบความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ก็ให้เอ้าละ่ะทุกๆคนที่ประสบความสําเร็จนะยินดีด้วยนะดีใจด้วยนะให้กับทุกๆคนที่ประสบความสําเร็จให้เรารู้สึกอย่างนี้ขึ้นม า, นมาก็ให้เราตั้งใจแผ่มุทิตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอาจจะบอกว่าบุคคลที่เป็นกลางๆทุกทุกคนที่กําลังมีความสุขดีใจด้วยนะ ทุกคนที่กาลังมีความสุขอยู่ยินดีด้วยนะนะก็ให้ตั้งใจยินดีดีใจเบิกบานไปด้วยกับเขานี่คือบุคคลที่เป็นกลางๆถัดจากบุคคลที่เป็นกลางๆต่อจากนั้นเราจะแผ่ให้คู่เวรแผ่ให้คู่เวรการแผ่ให้คู่เวรตอนแรกเริ่มนั้นโยมต้องระงับความโกรธในคู่เวรให้ได้เสียก่อน โดยใช้อุบายในการระ ง, งับความโกรธมีทั้งหมดสิบวิธีที่อาตมาได้เคยสอนไปในตอนที่ว่าด้วยเรื่องของเมตตากรรมาฐานตอนนี้แหละให้อออมาใช้เมื่อเราระ ง, งับความโกรธได้แล้วตอนนั้นเราจะรู้สึกเฉยๆหรือเป็นกลางๆ ก, กับบุคคลที่เป็นคู่เวรจากนั้นเราจะจึงจะแผ่มุทิตาจิตไปให้กับเขา เอายินดีด้วยนะที่ประสบความสำเร็จยินดีด้วยนะดีใจด้วยนะที่มีความสุขเราก็จะสามารถแผ่มุทิตาให้กับบุคคลที่เป็นคู่เวรได้ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกเกิดมุทิตาจิตรู้สึกยินดีเบิกบานเวลาเรานึกถึงคู่เวรที่กำลังประสบความสำเร็จหรือที่กำลังมีความสุขได้ ถัดจากนั้นอย่างที่สี่จึงจะแผ่มุทิตาให้กับตนเองโดยดีใจกับตนเองนะพราะยินดีกับตนเองที่ตนเองมีความสุขหรือสามารถแผ่มุทิตาจิตได้ก็ได้ก็จะเป็นคนสี่กลุ่มใช่ไหมงัม้นการฝึกจะต่างจากเมตตาใช่ไหมเมตตานี้เริ่มตัดจากตนเองก่อนแต่มุทิตานั้นจะเริ่มต้นจากบุคคลที่เรารักหรือเพื่อนรักก่อน แล้วจึงแผ่ไปให้บุคคลที่เป็นกลางๆให้กับคู่เวรแล้วจึงจะแผ่มาให้กับตนเองเมื่อทำได้คล่องแล้วต่อจากนั้นเราจะทำสีมาสมเพศคือแผ่มุทิตาจิตให้กับคนทั้งสี่กลุ่มโดยที่เรามีจิตมีมุทิตาเสมอเหมือนกันหมดในบุคคลทั้งสี่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นตนเองเพื่อนรักหรือว่าบุคคลที่เป็นกลางๆ ให้มีจิตเมตตาเสมอเหมือนมีจิตมุทิตาเสมอเหมือนกันหมดในบุคคลทั้งสี่กลุ่มเราเรียกว่าทำสีมาสําเพ็เมื่อแผ่มุทิตาให้คนทั้งสี่กลุ่มโดยมีจิตมุทิตาเสมอเหมือนกันหมดแล้วต่อจากนั้นเราจึงจะเริ่มแผ่ออกไปให้กับสัตว์ต่างๆวิธีการแผ่มุทิตาให้สัตว์ต่างๆจะเหมือนกับเมตตาและกรุณาที่อาตมาได้อธิบายมาแล้ว ก็จะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันคือหนึ่งแพ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงมีห้าแบบใช่ไหมแพ่แบบเฉพาะเจาะจงเจ็ดแบบและแพ่ไปยังทิศ ต, ต่างๆทั้งสิบทิศคำแพ่มุทิตาต่างกันที่ตรงข้างหลังเท่านั้นเองอย่างแพ่เมตตาจะใช้คำว่า สัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุใช่แต่ในที่นี้เราจะใช้คำว่าสัพเพสัตตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตตแทนเพราะฉะนั้นเวลาเราแผ่มแมุทิตาให้สัตว์แบบอโนทิโสคือแบบไม่เฉพาะเจาะจงก็เริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยสัพเพอะไรเอ่ยสัพเพสัตตาใช่ไหม ถ้าแผ่มุทิตาก็จะเป็นอะไรเอ่ยส เ, เอไม่แน่ใจเสียงมันดังๆดังๆค่อยๆหรือเปล่าเอ่ยนะเจริญพรมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเครื่องเสียงไม่ค่อยดีหรือเปล่าอถ้าเกิดว่าแผ่ไม่แผ่มุติตาให้กับสัตว์นะแบบไม่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคําคําว่าอะไรเอ่ยเอาดิว่าพร้อมกันสเพสัตตายะถา ลัทธสัมปติโตมาวิคัดฉันตุนะก็คือขอสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายดีใจด้วยที่ประสบความสำเร็จหรือที่มีความสุขนะดีใจด้วยหรือพรอยยินดีด้วยที่ท่านประสบความสำเร็จนะจากนั้นจากสัตตาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นาอเออยเป็น ปานาใช่ก็จะเป็นสเพปานายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายยินดีด้วยนะนะหรือดีใจด้วยนะในความสุขนะในความสุขในความสามสเร็จของเขา จากสัพเพสตาสัพเพปานาก็เป็นสัพเพภูตาก็จะเป็นอะไรเอ่ยสัพเพภูตายัถาลัทธสัมปติโตมาวิคัสฉันตุคือพูดทั้งหลายยินดีด้วยนะในความสำเร็จยินดีด้วยนะในความสุขจากพูดทั้งหลายก็เป็นบุคคลใช่ไหม ก็จะเป็นสัพเพปุคคลายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัจฉันตุนะบุคคลทั้งหลายยินดีในความสุขยินดีในความสำเร็จด้วยนะขอยินดีในความสุขในความสำเร็จของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนะเราก็จะตั้งใจภาวนาไปแบบนี้นะอันสุดท้าย ก็จะเป็นอัตถภาวะปะริยาปันานะก็จะเป็นสเพอัตถภาวะปะริยาปันายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตนะุก็หมายถึง ผู้คลที่ยังติดในภาวะในขันธ์ห้าทั้งหลายยินดีในความสุขด้วยนะยินดีในความสำเร็จด้วยนะล้วก็จะนั่งจิตแผ่มุทิตาออกไปอย่างนีนะ้ต่อจากนั้นก็จะแผ่แบบเฉพาะเจาะจงเจ็ดแบบใช่ไหมจำได้ไม่มีใครบ้างหนึ่งเริ่มต้นจากผู้หญิงก่อนใช่ไหมก็จะเป็นสัพเพหิตสัพเพหรือสัพพาต้องเป็นสัพพานะผู้หญิง สภาอิทิโยยะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัสฉันตุนะขอแสดงความยินดีหรือขอดีใจกับผู้หญิงทั้งหลายในความสุขของผู้หญิงทั้งหลายเหล่านั้นนะนะต่อมาก็เป็นผู้ชายใช่ไหมก็เป็นสัพเพปุริสานะยะถาลัทธ สัมปติโตมาวิคัตฉันตุขอแสดงความยินดีหรือขอดีใจกับความสาเร็จหรือความสุขความดีงามของผู้ชายทั้งหลายด้วยนะต่อจากนั้นก็เป็นพระอริยะใช่ไหมก็เป็นสัพเพอริยายัตาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุ แล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่อริยะก็จะเป็นสัพเพอนริยายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุต่อจากนั้นก็พบภูมิสาก็เริ่มต้นตั้งแต่เทวดานะก็แสดงมุทิตาจิตกับเทวดาทั้งหลายก็จะเป็นสัพเพเทวายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุ อ้าวเทวดาทั้งหลายดีใจด้วยกับความสุขกับความสำเร็จของท่านนะต่อมาก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมก็เป็นสัพเพมนุษายายถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวินิบาต ก, ก็เป็นสัพเพวินิปาติกา ยะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุได้ไม่เอ่ยนอกจกนั้นจะเหมือนกับเมตตาทุกอย่างต่อจากนั้นก็แผ่ไปยังทิศ ท, ทั้งสิบก็มีทิศตะวันออกคือปุรัตติมายักที่สายะใช่ไหมก็เป็นสเพปุรัตติมายักที่สายะสัตตายะถาลัทธสัมปติโตมาวิคัตฉันตุแล้วก็ทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกคือทิศอะไรเอ่ย ปัตชิมายะทิศายะแล้วก็ทิศเหนือเป็นอุตระทิศายะทิศตะวันทิศใต้ก็เป็นทักขินายะทิศายะแล้วก็อนุทิศใช่ไหมอนุทิศอีกสี่แล้วก็ทิศเบื้องล่างเหติมายะทิศายะทิศเบื้องบนคืออุปริมายะทิศายะก็เป็นสิบทิศ แผ่แบบเจาะจงสิบทิศไม่เฉพาะเจาะจงสิบทิศก็จะรวมเป็นการแผ่เมตตาทั้งหมดหนึ่งรอยี่สิบแบบและแผ่แบบไม่กําหนดทิศอีกสิบสองแบบก็เป็นร้อยสามสิบสองแบบขอภัยเป็นแผ่มุทิตาไม่ใช่เมตตาก็จะเป็นการแผ่มุทิตาจิตหนึ่งร้อยสาสิบสองแบบซึ่งอาตมาจะไม่กล่าวรายละเอียดตรงนี้ละเพราะว่าได้กล่าวแล้วในเมตตาแล้วก็กรุณา เพราะฉะนั้นวิธีการเวลาเราแผ่ไปยังทิศต่างๆก็คือนึกถึงสรรพสัตว์ที่อยู่ทางทิศนั้นที่ประสบความสําเร็จให้เรารู้สึกดีใจอิ่มใจภูมิใจรู้สึกยินดีกับความสุขความสําเร็จของเขาแล้วจึงแผ่ออกไปไม่มีประมาณรู้สึกยินดีในความสุขความสําเร็จกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปไม่มีประมาณในทุกทิศทุกทางนี่ก็คือการแผ่ มุทิตาจิตเนื่องจากว่าเคยอธิบายในเรื่องของทิศ ท, ทั้ง10แล้วก็แผ่แบบจะจงกับไม่เฉพาะจะจงในเมตตาและกรุณาแล้วก็จะไม่อธิบายรายละเอียดซ้ําตรงส่วนนี้ละอ้าวมีคําถามไหมเอ่ยในเรื่องของการแผ่มุทิตาจิตไม่มีคําถามนะถ้าไม่มีคําถามถ้าอย่างนั้นอาตมาจะให้โยมลองแผ่มุทิตาจิตเบื้องต้นก่อน ในที่นี้ขอให้โยมลุกขึ้นก่อนนะเรานั่งกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะลุกขึ้นก่อนนิดหนึ่งลุกขึ้นขยับแขนขยับขานิดหนึ่งนะอา้าวแล้วให้โยมนึกถึงเพื่อนรักหรือคนที่โยมรักที่เขาอยู่ดีมีสุขหรือที่เขากําลังประสบความสําเร็จนะอ้าให้โยมลองนึกถึงนะเพื่อนรักคนรักที่เขาอยู่ดีมีสุขที่เขาประสบความสําเร็จนะอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะหรือบุคคลที่เรารักและเคารพที่กำลังประสบความสำเร็จที่กำลังมีความสุขอยู่นะเมื่อเรา่อดถึงเขาอย่างนั้นแล้วก็ให้โยมรู้สึกยินดีดีใจไปกับเขานะให้รู้สึกยินดีดีใจไปกับเขาอาจจะใช้คำภาวนาเข้ามาช่วยนะอ้าว ยินดีด้วยนะที่คุณประสบความสำเร็จดีใจด้วยที่ประสบความสาเร็จนะขอขอยินดีด้วยขอดีใจด้วยในความสำเร็จในความสุขนะที่คุณกำลังมีอยู่หรือในความสำเร็จที่คุณกำลังได้อยู่นะเวลานึกขึ้นมาอย่างนั้นเราไปรู้สึกดีใจผ่องใสใช่ไมในขณะที่เราดีใจผ่องใสก็ให้ยมยิ้มออกมาด้วยนะให้ยมยิ้มออกมาด้วย จะให้รู้สึกบันเทิงรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจในความสําเร็จในความสุขของบุคคลที่เรารักและเคารพหรือของปหรือของเพื่อนรักของเราจากนั้นให้หยมตั้งใจรักษาภาวะจิตอยู่กับความเบิกบานยินดีในความสําเร็จของคนที่เรารักนั้นไว้ ถ้าใครรู้สึกว่ามันคิดเป็นคําพูดเยอะก็ให้ใช้คําบริกรรมเข้ามาช่วยเช่นดีใจด้วยนะที่ประสบความสําเร็จนะเพื่อนรักของเราดีใจด้วยนะที่ประสบความสําเร็จนะยินดีด้วยนะที่ประสบความสําเร็จนะเพื่อนรักของเรายินดีด้วยนะที่ประสบความสําเร็จดีใจด้วยนะที่ประสบความสําเร็จให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจ รู้สึกอิ่มใจไปกับความสำเร็จไปกับความสุขของเขาที่กำลังได้รับอยู่อ่าวคราวนี้โยมนั่งลงได้นะนั่งแล้วก็นั่งขัดสมาธิเลยอ่าวจะเรียนพร้อ จากนั้นให้โยมแผ่มุทิตาจิตให้เพื่อนรักต่อทําใจให้สงบแผ่มุทิตาจิตให้เพื่อนรักต่อนะหรือคนที่เรารักรักเคารพดีใจด้วยนะที่เธอประสบความสําเร็จยินดีด้วยนะที่เธอประสบความสําเร็จแล้วให้โยมรู้สึกดีใจภูมิใจอิ่มใจไปกับความสุขความสําเร็จที่เขากําลังประสบอยู่ มีหลักง่ายๆให้ยมยิ้มออกมานะเหมือนเราเห็นคหน้าเขาแล้วเรายิ้มให้เขาดีใจด้วยนะที่ประสบความสาเร็จยินดีด้วยนะที่ประสบความสาเร็จดีใจด้วยในความสุขความสาเร็จยินดีด้วยในความสุขความสาเร็จ หายใจเข้าออกช้าๆเล็กๆยาวๆหายใจเข้าเบิกบานมีความสุขหายใจออกเบิกบานมีความสุข อ, อ่าและเจรนญพอพอได้ไม่เอ่ยพอแผ่มุทิตาเป็นไหมนะมุทิตาเนี่ยจะคล้ายๆกับเมตตานะอรตมาว่า เมตตากับมุทิตาเนี่ยจะแผลง่ายเพราะว่ามันเป็นลักษณะของความสุกนะกรุณาบางคนมันบางคนนั้นอาจจะติดเป็นได้ง่ายของความพอนึกถึงคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากไม่จะไปในทางเศร้าโศกมากกว่านะแต่เมตตากับมุทิตานั้นสําหรับหลายๆท่านอาจจะแผลได้ง่ายอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนเองนะก็ให้ยมไปฝึกเอาไว้นะฝึกเอาไว้ให้เป็นประจําเลยมิธีฝึกที่ดีที่สุดก็คือให้อยู่กับชีวิตของเราชีวิตประจําวันของเรา มองไปที่ไหนเห็นเขาอยู่ดีมีสุขก็ให้แผ่ไม่ตาเอาไว้เห็นเขากําลังมีความสุขก็สบความสําเร็จก็ตั้งใจแผ่โมทิตาเห็นเขามีความทุกข์ก็ตั้งใจแผ่กรุณาชีวิตประจําวันของโยมจะกลายเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัวเลยใช่ไม่ใช่เพราะชีวิตของเราก็จะเจอคนอยู่สามประเภทนี้นี่แหละหนึ่งไม่เขาก็อยู่ดีมีสุขสบายอยู่แล้วหรือไม่ก็อย่างที่สองกำลังตกทุกข์ได้ยากอย่างที่สามกำลัง ประสบความสําเร็จใช่ไหมใชนะ่ก็เป็นที่ตั้งนะยมไปที่ทํางานก็ลองดูเพื่อนก็ได้ถ้าวันไหนเห็นเพื่อนหน้าบึง้งกําลองอิดอัดอยู่ให้แผ่กรุยาณ์ใช่ไหมนั่นเขากําลังเป็นทุกข์อยู่เขากําลังยิ้มหัวเราะอยู่กําลังมีความสุขอยู่ก็ร่วมยินดีไปกับความสุ ข, ขเขาเป็นมุติตาแต่เขาอยู่ดีมีสุขกําลังทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็ให้แผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีให้กับเขาถ้าทําอย่างนี้ได้จะเห็นว่าคำมาถานประเภทนี้เนี่ย อยู่กับชีวิตของโยมได้ตลอดเลยนะทุกครั้งที่เราเจอบุคคลอื่นๆกลายเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปตลอดเวลาหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวนะประจัยนะอ้าวมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรไหมในเรื่องของมุทิตาไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีคําถามอะไรก็วันนี้คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ลําดับต่อไปก็ขอเชิญโยม แผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์